วันที่สาธุชนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติมาบาเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างใหญ่หลวงแก่สันโลกทั้งปวงที่ทรงสอนให้ มาพัฒนาจิตใจให้มากกว่าพัฒนาสิ่งอื่นใดๆในโลกนี้เพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ถาวรส่วนการพัฒนาสิ่งอื่นๆนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ ไม่จีรังถาวรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่ว่าเราจะพัฒนาอะไรไว้มากมายเพียงไยก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นซากปรักหักพังไปเช่นกรุงศรีอยุธยาในอดีต กรุงสุขโขทัยเป็นต้นได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่แล้วในที่สุดก็ต้องมีอันที่จะต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปส่วนจิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ภายใต้กฎ ของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือจิตใจถ้าได้รับการชำระได้การพัฒนาจนถึงจุดที่สูงสุดแล้วเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารตสาวกทั้งหลายจิตใจดวงนั้นจะไม่มีวันเสือ่อมจากสภาพที่ได้พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดคือสภาพของจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากดิเลตความเศร้าหมองทั้งหลายปราศจากความทุกข์ทั้งหลายปราศจากภพชาติทั้งหลายจิต ด, ดวงนั้นหลุดพ้นแล้วจากกฎแหงอนิจจ์ทุกขังอนัตตานี่คือเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สรรพโลกมาพัฒนาจิตใจกันก็พัฒนาเพื่อให้จิตใจ ได้หลุดพ้นจากความเสื่อมทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองไม่มีใครที่จะนำพาพวกเราไปได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรานี้เท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้จริงเห็นจริงทางที่จะพาไปสู่การพัฒนาที่สูงสุดนี้ได้มีแต่พระพุทธเจ้า มีแต่พระธรรมคำสอนมีแต่พระอริยสงสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่รู้จริงเห็นจริงเพราะท่านได้พัฒนาจิตใจของท่านให้สว่างสวัยให้หลุดพ้นจากความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจที่ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นสภาพอันเลิศอันประเสริฐของ จิตใจของตนเองกลับไปเห็นความประเสริฐในสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่มีความประเสริฐอะไรในตัวของมันเลยเพียงแต่หลงไปสมมุติให้เขาวิเศษขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรกับจิตใจเขาไม่สามารถทำจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เขาไม่สามารถทำจิตใจ ให้มีความร่มเย็นเป็นส่ย์ได้อย่างถาวรมีแต่การประพฤติการบาเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวงทั้งหลายเท่านั้นที่จะทำทาได้ดังนั้นเราจึงหมั่นมาวัดกันเพื่อที่จะได้มารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ ฝากไว้ในพระธรรมโมวีนัยแล้วก็ที่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วได้นำเอามาเผยแพร่ให้กับพวกเราอีกทอดหนึ่งเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติชีวิตจิตใจของเรา ก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีการกำหนดว่าต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นฆราวา์หรือนักบวชไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคนอายุมากหรือคนอายุน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติที่เกาะมา ติดมากับจิตแต่เราดวงเท่านั้นเองแต่ตัวจิตเองนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้ตัวจิตนี้ก็เป็นจิตเป็นตัวรู้เป็นตัวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากการพัฒนาจิตใจดวงนี้ดังนั้นอย่าให้ความหลงมาหลอกให้เราว่าเราเป็นหญิงเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นคารวะญาติโยมเราปฏิบัติไม่ได้ เราเป็นเด็กเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นคนแก่เราปฏิบัติไม่ได้ เ, าเ่นนเ า, เานี่ล้วนเป็นกลอบายของกิเลส ท, ที่จะพยายามกีดกัน้นขวางการประพฤติปฏิบัติเพื่อการชำระกิเลสให้หมดไปจากจิตจากใจนั่นเองดังนั้นขอให้เราเชื่อว่าเรานี่แหละเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดต่อ พาะทำคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นเรายังสามารถศึกษาสามารถปฏิบัติสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่มีใครที่จะเหมาะสมเท่ากับเพศของมนุษย์มนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่เป็นพบ ที่เหมาะสมต่อการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมาะสมต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์พระอริยสงสาวกทุกๆพระองค์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เวลาที่ท่านเกิดมาท่านก็เกิดมาเหมือนพวกเราท่านไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าโดยกําเนิด ไม่ได้เกิดมาเป็นพระอาหารหันต์ตวรโดยกำเนิดท่านก็เกิดมาเป็นปุถุชนอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายที่ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์ต่างๆพุ่มหอ่อล้อมรอบจิตใจอยู่แต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดท่านเป็นคนที่คอยดูคอยสังเกตดูใจของท่านอยู่เสมอ มากกว่าดูสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะใจนี่แหละเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นตัวที่รับสุขหรือรับทุกข์แล้วก็เป็นตัวที่สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนเองถ้าเราไม่เฝ้ามองใจเราแล้ ว, ลวใจของเราก็จะถูกกิเลสหลอกไปให้สร้างความทุกข์ให้กับเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวและเราก็จะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ โทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ความจริงแล้วคนอื่นสิ่งอื่นนี้ไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่เราได้ตอนให้เขาด่าเราอย่างไรทุบตีเราอย่างไรฆ่าเราให้ตายไปก็ตามเถิดถ้าใจของเราไม่เอามาแบกเอามาหามไม่เอามายึดเอามาติด ไม่เอามาปรุงเอามาแต่งมันก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทินกับจิตใจของเราได้เลยปัญหาอยู่ที่ใจของเราถูกความหลงคือกิเลสที่มีอยู่ในใจนี้หลอกให้เราไปไปแบกเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เท่านั้นเองไม่มีใครหลอกถ้าเราไม่หลงไปแบกสักอย่างแล้วมันจะหนักอกหนักใจเราได้อย่างไร เหมือนกับของที่หนักแสนหนักเช่นรถยนต์คันเบเริ่มถ้าเราไม่ไปยกมันขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับปุยนุ่นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ไปย ก, เ ร, ปรยกเราไม่ได้ไปแบกมันเราปล่อยมันไว้เฉยๆชันใดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วไปแบก ด้วยความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะไม่สร้างความทุกข์ให้แก่เราเลยแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรจะดีหรือจะชั่วจะเป็นหรือจะตายมันจะไม่มาทำให้ใจของเราต้องหนักอกหนักใจเลยแต่ถ้าเราไปหลงไปคิดว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ก็จะทำให้เราแบก ความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจความเศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่ค่อยดูใจของเราเราไม่รู้ว่าใจของเราอยู่ที่ไหนที่เสียด้วยซ้ําไปไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอะไรก็ขอให้เรารู้ว่าใจนี้คือตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตัวที่กําลังคิดตัวที่กําลังรู้สึกอยู่นี้ เป็นใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงสื่อหรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งต่างๆให้มาสู่ใจเช่นเป็นตัวเชื่อมรูปต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาแล้วก็ไปรับรู้ที่ใจเสียงต่างๆที่เข้ามาทางหูแล้วก็ไปรับรู้ที่ใ จ, าาาใจพอไปรับรู้ที่ใจแล้ว ใจก็ไปแยกแยะว่าเป็นเสียงอะไรเป็นรูปอะไรแล้วก็ไปหลงตามสิ่งที่ตนแยกแยะเพราะสิ่งที่ตนแยกแยะนี้ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเพราะใจของเรานี้ถูกกิเลสหลอกให้เราสอนเราให้แยกแยะไปตามความหลงของกิเลสเช่นพอเห็นรูปหญิงเห็นรูปคน เป็นรูปหญิงรูปชายมันก็จะแยกแยะว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทันทีมันไม่เคยไปแยกแยะเลยว่ามันเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟดินน้ําลมไฟนี่แหละคือธาตุแท้ของร่างกายเราถ้าไม่มีธาตุสีคือดินน้ําลมไฟแล้วร่างกายของเรานี้เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้ต้องมีธาตุสีดินน้ําลมไฟ เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเหมือนกับศาลาหลังนี้ต้องมีอิฐมีปูนมีทรายมีหินมีเหล็กมีน้ามีอะไรต่างๆมาผสมประสานกันถึงจะก่อตัวขึ้นมาเป็นศาลาหลังนี้ได้แต่เวลาเรามองศาลาหลังนี้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทรายเป็นหิน เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราก็ว่าเป็นศาลามีชื่อนั้นมีชื่อนี้เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้เหล่านี้เป็นความหลงทางนั้นเพราะมันไม่เป็นของใครอีกร้อยปีกลับมาดูสิว่ามันจะเป็นอะไรหรืออีก200อปีต่อไปมันก็เป็นซากกระหลักหักพังไปทท้งนั้นเองหรือไม่ฉะนั้นก็ถูกเขาทุบทิ้งไปก่อนเพื่อที่จะสร้างหลังใหม่ขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นคือมาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของไข่มันเป็นของดินน้ำลมไฟเมื่อมันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วต่อไปมันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเป็นธรรมดาร่างกายของเราหรือของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นมาจากดินน้ำลมไฟมาจากอาหารอาหารก็มาจากข้าวจากผัก จากเนื้อจากอะไรต่างๆที่มาจากดินน้าหมไฟแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วหลังจากที่อยู่ไปได้สักระยะเวลาหนึ่งแปดสิปี90ปีหรือ100ปีมันก็จะแยกทางกันไปคนที่ตายไปแล้วร่างกายก็จะค่อยๆ ยุบสลายไปหายไปเพราะธาตุทั้งสี่เขาจะแยกตัวกันไปน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายความร้อนคือไฟก็จะแยกออกจากร่างกายลมก็จะแยกออกจากร่างกายปล่อยให้เหลือแต่ดินที่ในที่สุดก็จะไปผสมกับดินส่วนอื่นต่อไปนี่คือการดูความจริงต้องดูแบบนี้ แต่พวกเราไม่ได้ดูกันแบบนั้นเพราะเราไม่รู้จักสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นสมมุติสิ่งต่างๆที่เรารู้กันอยู่นี้มันเป็นสมมุติเหมือนเราเล่นละครกันเราสมมุติร่างกายของเราว่าชื่อว่านายกอเราสมมุติร่างกายของคนนั้นว่านายขอแล้วก็สมมุติว่าร่างกายของนายขอเป็นของนายขอ ร่างกายของนายกอเป็นของนายกอแต่นายกอและนายขอนี่มีที่ไหนมันไม่มีเราเพียงแต่สมมุติมันขึ้นมาพอร่างกายนี้ตายไปยุบสลายไปนายกอก็หายไปนายขอก็หายไปเหลืออยู่แต่ความจำในความรู้สึกนึกคิดของใจของพวกเราเช่นปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้ว เขาไม่ได้เป็นปู่ย่าตายายของเราเอีกแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกนึกคิดว่าเขาเป็นปู่ย่าตายายของเราเราไม่เคยคิดแม้แต่ขณะเดียวว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟตัวที่มาครอบครองนี้คือตัวใจนี้ก็ไม่ได้เป็นปู่ย่าตายายของเราเขาเป็นตัวรู้สึกนึกคิดที่ได้มีโอกาสมาครอบครองร่างกายของเร ของเขาแล้วเขาก็ได้รับสมมุติว่าเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นนายกนายขอแล้วพอร่างกายนี้ตายไปล่มสลายไปใจที่มายึดนาอกนขอหรือปู่ย่าตายายนี้ก็ไปต่อไปตามบุญตามกรรมไปหาร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่หมดกรรมจะได้ร่างกรรมดีหรือ ร่างกายดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่บุญกรรมที่ทำไว้ถ้าได้ถ้าได้ทำบุญก้ะได้ได้ทำบุญไวมากกว่ากรรมก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบาปทำกรรมมากกว่าทำบุญก็จะได้ร่างกายที่เลวกว่าเก่าไปอยู่ตามภพที่ไม่น่าปรารถนาคือไปอยู่ในอบายไปอยู่ในนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้าง แล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่เลวกว่าเดิมแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ถ้าไม่มีใครมาสอนให้เราดูใจของพวกเราเราก็จะหลงไปตามคำสั่งของกิเลสที่สั่งใจของเราให้ไปสร้างบุญสร้างกรรมให้ไปหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกของเรามันไม่เคยสอนให้เรามองว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่เคยสอนว่ามันเป็นอนิจจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันไม่มีใครสอนนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่จะมาตัดสู้ความจริงอันนี้ได้รู้ว่าใจกำหลงใจกำลังหลงอยู่กับสมุติสมมุติต่างๆหลงกับสิ่งที่เป็นอนิจจรแล้วก็ไปยึดไปติดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้แล้วก็มีพระเมตตาอย่างใหญ่หลวง ที่อุทิศชีวิตของพระองค์มาเผยแผ่สั่งสอนความรู้นี้ให้แก่สัตว์โลกเช่นพวกเราทั้งหลายในสมัยแรกๆที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนมีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัตินำไปสอนใจไปแก้ความหลงที่ใจจนเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและได้พัฒนาจิตใจ ให้ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสารณะขึ้นมาเป็นที่พึ่งสำหรับสัตว์โลกตามลําดับต่อไปบุคคลเหล่านี้เขามีสติมีปัญญาเขามีศรัทธา เมื่อเขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเขาเชื่อว่าเขาสามารถปฏิบัติตามได้เขาเชื่อว่าเขาสามารถมาสั่งสอนใจของเขาให้รู้ทันสมมุติทั้งหลายได้ให้รู้ว่าตัวเราของเราพี่เราน้องเราพ่อเราแม่เรานี้ไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่เราว่ากันอย่างแท้จริงเป็นเพียงสมมติ เป็นเหมือนตัวละครร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวละครที่มีความหลงมาจำกับให้เล่นเป็นบทต่างๆให้เล่นเป็นพ่อให้เล่นเป็นแม่ให้เล่นเป็นลูกให้เล่นเป็นหลานให้เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ไปยึดไปติดกับร่างกายต่างๆเหล่านี้พอร่างกายต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมดร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปหมด หวาดกลัวกันไปหมดเพราะความหลงมันครอบงำจิตใจไม่ให้เห็นความจริงถ้าสามารถกำจัดความหลงไปได้แล้วจะไม่มีความหวั่นไหวต่อความเป็นไปของร่างกายแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าร่างกายไม่เป็นเราไม่ใช่ของเรานั่นเองเช่นเวลาคนที่เราไม่รู้จักเขาเป็นอะไรไปเขาตายไป เราไม่ได้เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปหลงยึดติดว่าเขาเป็นเพื่อนเราพี่เราน้องเราพ่อแม่เรานั่นเองเขาก็เป็นเพียงดินน้ำหลงไฟที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเท่านั้นเองถ้าเราสามารถสนใจของเราอยู่เนืองๆ อ, อยู่อย่างต่อเนื่องจน ทุกเวลาที่ใจเรามองเห็นร่างกายของคนอื่นก็ดีของเราก็ดีเราจะต้องรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงดินนมม้ำลมไฟถ้ารู้อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่ามันจะไม่หลงยึดติดมันจะปล่อยวางแต่มันไม่ทอดทิ้งกันมันก็ยังอยู่ด้วยกันดูแลกันรักษากันช่วยเหลือกัน มีความเมตตากรุณาต่อกันแต่จะไม่กังลวลจะไม่ห่วงจะไม่หวน จ, จะไม่เสียดายเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ความทุกข์ในใจของเราก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์อย่างนี้ได้ต่อให้เราเริ่มรวยเป็นมหาเศรษฐี ต่อให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินลงมามันก็ไม่สามารถที่จะช่วยใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่จะกลับสร้างความทุกข์ในใจของเราให้มีมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่มีมากก็ยิ่งมีความความหวงมากความหวงมากความรักมากความเสียดายมากนั่นเอง นี่แหละคือเรื่องของใจของเราที่พวกเราไม่ค่อยได้มาดูกันเรามัวถูกกิเลสหลอกให้เราหันไปดูสิ่งต่างๆแล้วก็หลงกับไปกับสมมติต่างๆที่เขาสมมติกันขึ้นมาเห็นโลหะเช่นทองคำว่าเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสเห็นก้อนหินเช่นเพชรนิมจินดาว่าเป็นสิ่งที่วิเศษวิโส แต่ถ้าเราไปหลงอยู่ในป่าไม่มีข้าวกินเรากินทองได้ไหมเรากินเพชรนินจินดาได้ไหมระหว่างทองกับกล้วยเราจะเอาอะไรถ้าเราอดอยาขาดแคลนอยู่ในป่าไม่มีอะไรจะรับประทานถ้าเราพบทองคํากับพบกล้วยเราจะคว้าอะไรมาก่อนนี่แหละกล้วยมันอย่างน้อยมันก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าเราใจของเราไม่มีธรรมะมันก็ยังไม่สามารถทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากกองทุกได้เพราะร่างกายถ้าได้รับอาหารมันก็หลุดพ้นจากความตายไปวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าวันต่อไปมันไม่ได้รับประทานอาหารมันก็ต้องตายอยู่ดีหรือว่าถึงแม้มันจะได้รับประทานอาหารทุกวันสักวันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดี ถ้ายังมันยังต้องตายอยู่แล้วถ้าใจยังขาดธรรมะยังหลงไหลอยู่กับความคิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่มันก็ยังต้องทุกอยู่กับความเป็นไปของร่างกายดังนั้นในสิ่งต่างๆในโลกนี้ยังไม่มีอะไรที่มีความสำคัญเท่ากับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเงินทองเพชรดินจินดาอาหารต่างๆมันไม่มี ประโยชน์อะไรกับจิตใจมันไม่ได้ช่วยจิตใจให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์อาหารก็จะช่วยร่างกายให้ได้อยู่ไปนานหน่อยส่วนสมบัติเข้าของเงินทองก็มีไว้เพียงแต่ส่งเสริมกิเลสเท่านั้นเองส่งเสริมความอยากส่งเสริมตัณหาที่เป็นเหมือนกับเชือบเลิงที่เราเทลงไปในกองไฟก็จะทำให้กองไฟนั้นลุกโชนขึ้นมาใหญ่ มันเป็นเหมือนกับเชื้อที่จะไปสร้างกองทุกข์ในใจให้ลุกขึ้นใหญ่ไปเรื่อยๆคือเรื่องของกิเลสและตัณหาคนที่มีกิเลสตัณหามากจะมีความทุกข์มากคนที่มีกิเลสตัณหาน้อยจะมีความทุกข์น้อยคนที่ไม่มีกิเลสตัณหาเลยจะไม่มีความทุกข์เลยคนที่ไม่มีกิเลสตัณหา ก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นนอกจากนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่แม้จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหรือขั้นที่สามก็ตามคือเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีใจของท่านก็ยังมีความโลกโลกมีความหลงอยู่ยังมีตัญหาอยู่ยังมีความทุกข์อยู่ เพียงแต่ว่าท่านมีน้อยกว่าผุ้ทุชนอย่างพวกเราที่มีความโลภความอยากแบบแบบไม่มีขอบเขตเหมือนยิ่งใหญ่กว่าน้ําในมหาสมุทรเสอีกแต่ความโลภความอยากของพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งที่สองที่สนี้เป็นความโลภความอยากที่มีขอบเขตไม่เลยเถิดจนเกินไป และจะขดตัวลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะจิตของท่านนี้มีธรรมะที่ท่านกำลังบำเพ็ญอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บำเพ็ญถึงจุดสูงสุดถึงขั้นสูงสุดเท่านั้นจึงยังต้องแบกกองทุกข์อยู่ภายในใจอยู่แต่มันไม่มากเหมือนกับกองทุกข์ที่ปุทุชนอย่างพวกเราทั้งหลายกำลังแบกกันของเราเป็นเหมือนกับภูเขาฮิมาลาย ของท่านเป็นเพียงเหมือนกระสอบที่ท่านแบกอยู่บนบาบนไหลเท่านั้นมันต่างกันมากเพราะท่านมีธรรมะมากกว่าเราท่านมีศรัทธามากกว่าเราท่านมีสติมากกว่าเรามีปัญญามากกว่าเรามีวิริยะมีมีสมาธิมากกว่าเราท่านจึงอยู่ท่านจึงแบกน้อยกว่าเราและจะไม่แบกในลำดับต่อไป ส่วนพวกเรานี้ถ้ายังไม่ได้สร้างธรรมะยังไม่ได้สร้างศรัท ธ, ธาไม่ได้สร้างวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรไม่ได้สร้างสติไม่ได้สร้างสมาธิไม่ได้สร้างปัญญาแล้วแล้วก็พวกเราก็จะต้องแบบภูเขาหิมาลัยนี้ไว้ในอกไปตลอดไม่มีวันที่สิงเสุดได้นี่แหละคือความสำคัญของของวันพระ ที่พวกเราได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกัรทุกวันเพื่อมาพัฒนาจิตใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญขึ้น <c oughs> ให้สูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ไปถึงบรมสุขคือถึงพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวร ที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นของท่านทั้งหลายถ้าท่านหมันเข้าวัดปฏิบัติธรรมศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วน้อมนําออกไปปฏิบัติสักวันหนึ่งความฤิเศษต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มีไว้ครอบครองเป็นสมบัติก็จะเป็นสมบัติของท่านเช่นเดียวกันจึงขอฝ่า